<Book> 59เฟมตินีที่ทำการไพรสณนีโพสต์คุณทูรที่ทำการไปรส์นีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนบูร์ r อร์นาร์เมสต์เอสตคุทูร ที่ทำการไปรส์นีใกลจากที่นี่ไหม Är det ลงต์ที่นารเมสต์โพสต์คุณทตไพรสนีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนวูร์เร์นารเมสต์โพสต์แดิฉันต้องการสเตมสองสามดวงยัยตริงิเอ็ตพาร์ฟรีมาร์กสำหรับการ์ดและจดหมาย ทิเล t kort โอ et ์เบรมค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่ว่าค่าส่งโปรตุเกสไปอเมริกาผ้าสดุหนักเท่าไหร่วูดหนั g เท่าไหร่ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหมสามารถส่งจด a มายทด้ ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึงวูร์เล็งเกะตดทิลเดคอมเมอดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนวูร์คอนยาทเลโฟนอร์ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนวูรแอรมิสต์ทเลโฟนทคุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะคุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะเร็วสักครู่ขอดูก่อนนะคะ1วิ l าทีฉันจะเช็ค สายไม่ว่างตลอดเวลาลีนีน์แอร์อัลติดอัปทัคุณต่อเบอร์อะไรวิลกคุณต้องกดศูนย์ก่อนดิวมอ